ประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิร์ตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิร์ตซ์ต่อจากนี้ไปเสนอรายการทันโลกทันเหตุการณ์ค่ะ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 อดีมากลาอาจารย์ผู้ใหญ่ช่วยสั่งสอนทราบเสีงจึงเป็นแรงช่วยผลักดันให้ฉันได้ก้าวไปถึงฝั่งฝันที่ฉันมุ่งหวังนังใจต้องการเป็นความพาคภูจากรู้ ดูภา นั้นแดงบางงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรม น, น้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทา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 เรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันนะครับในช่วงนี้ตามสถานการณ์ของโควิด -19 นี่ยังระบาดกันอยู่นะครับนะโดยเฉพาะแถวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก็ก็ยังยังยั ง, ย, งยังรุนแรงกันอยู่นะเพราะนะั้นทอย่างไรที่จะทําให้ปริมาณของการแพร่ระบาดเนี่ยลดลงนี่คงจะต้องคงจะต้องดูแะครับแนตะ่ ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยจากการเปิดเผยของแพทย์หญิงสุมณีวัชรศินป์ซึ่งเป็นผู้ช่วยรองโฆษกสอบอกคนะครับนะก็มีการถแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 นะวันที่27ตุลาก็บอกว่ า, าไทยเราเนี่ยมีผู้ติดเชื้อใหม่นะ 8,450 กว่าคนแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มอีก57รายนะครับ แล้วก็มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ปี2563รวม 1,870,000 กว่าลายนะครับนะกล้านแแล้วแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตสะสมนะตั้งแต่ 2,563 <c oughs> จำนวน 18,900 ลายนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ <c oughs> สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการฉีด <c oughs> วัคซีนนี่นะครับนะก็คงจะต้องพยายามที่จะต้อง <c oughs> ให้ได้แก้ไขให้ให้ได้ฉีดให้ได้มากขึ้นแหะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็เร่งฉีดเราฉีดสะสมมาจนถึงวันที่ยีบแปดกุมภาพันเนี่ยนะครับนะเราฉีดไปแล้วประมาณเจ็ดสิบสล้านโดสนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงจะต้องเร่งฉีด ทีดให้ได้มากที่สุดแะครับก็จะแก้ปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 นี้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้นี่ก็ดูจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดยังเป็นกรุงเทพอยู่นะไล่ไปกรุงเทพสงขลาปัตตานียะลาจันทบุรีนครศรีธรรมราชนราธิวาสสมุทรปราการชนบุรีเชียงใหม่นะครับก็ไล่กันไปนะครับ เพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้คงจะต้องดูนะครับส่วนใหญ่แล้วคัตเตอร์ <c oughs> ที่ติดเชื้อนี่มักจะเป็นแคมป์คนงานนะครับนะแคมป์คนงานอยู่แถวจันทบุรีมีคัสเตอร์งานศพอยู่แถวแถวนครศรีธรรมราชนะแถวเชียงใหม่แล้วก็มีคัตเตอร์ตลาดชุมชนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องดูส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนตั้งแต่วันที่สี่ตุลาคม เป็นต้นมาเนี่เราเร่งฉีดไปแล้วประมาณ1นึ่ล้าน9แสนลายนะซึ่งตอนนี้นักเรียนประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนอยู่ที่4่ล้านห้แสนคนนะครับเพราะนั้นเราต้องระดมฉีดเพื่อที่จะได้เปิดเรียนอย่างอย่างอย่างให้ได้อย่างปกตินะแล้วก็เราก็เน้นนะครับโดยเฉพาะครูที่สอนนี่ต้องฉีดให้ครบ นะให้ครบ2โดสแะครับนะเพราะตรงนี้นี่คงจะต้องดูจะเปิดเรียนกันวันที่หนึ่งพฤศจิกายนแล้วนะครับนะเราก็คงจะต้องพยายามเร่งนะเพราะตรงนี้นี่คงจะต้องดูว่าในหลายๆพื้นที่นี่ยังน่าห่วงอยู่โดยเฉพาะแ <c oughs> <c oughs> ถวจังหวัดชายแดนภาคใต้4ี่จังหวัดนี่แหละครับนะซึ่งก็คงจะต้องเร่งฉีดตรงนั้นให้มากแล้วก็ดูสบคชุดใหญ่เนี่ยจะมีการจัดประชุม กันในวันที่29ตุลาคมโดยมีนาย y o n g ีวันเอกประยุทธ์เนีเป็นประธานก็จะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของมีการเสนอแผนให้บริการวัคซีนต่างๆนะครับปรับสถานการณ์พื้นที่ต่างๆทั่วทั่วประเทศนะว่าจะมีการนำล่องมีการปรับปรุงป้องกันกันอย่างไรนะครับเพราะฉะตรงนี้คงจะต้องดูนะครับ <c oughs> มีหลายๆส่วนนะครับที่ ที่มีการพูดมีการคุยกันนะครับเราคงจะต้องปรับปรุงแผนเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งรับนะโควิด -19 นี่แหละครับว่าเราจะตั้งรับจะพูดจะคุยกันอย่างไรนี่คงจะต้องดูนะครับแล้วก็มีมาตรการต่างๆขึ้นมาในแพทย์สุสวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญอธิบดีกรมอนามัยก็บอกว่ากรมสำรวจความคิดเห็นของชาวบ้านเรื่องความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการ เปิดเมืองเปิดประเทศที่เริ่ม1พฤศจิกายนก็บอกว่าส่วนใหญ่ประชาชนนี่กังวลนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดการระบาดระลอกใหม่ซึ่งประชาชนนี่ถ้าไม่ระมัดระวังการตกก็จะห่วงว่าจะมีการระบาดนะครับสถานปฏิบัติสถานท่องเที่ยวต่างๆนี่ถ้าไม่มีมาตรการป้องกันก็จะระบาดคือชาวบ้านนี่เขาก็ กังวล น, นะครับในเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดใหม่เพราะฉะนั้นนีรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขตรงนี้ให้มีประสิทธิภาพนะครับมารับฟังเพลงสักเพลงครับก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ โซโซมาวัดตะโกกราหลวงพอ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพอลูกมันพลนจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอนับวันยิ่งจนแท่นอน่ ขอพรหลวงพ่อช่วยทีอําเภอพาชีอายุทยามุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แก้วหลวงพ่อองค์ใหม่สานต่องานเต็มทีอยู่ก็ร่มเย็นเบื่อกงห้ามตาหมา เป็นศูนย์รวมใจพาชีเป็นบุญที่ลูกได้มาตั้งนโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เรียนชนะจนขึ้นขอสวมเล็ดพันล้านที่ขอเมือควาปัดเป่าพวามจนวอนพ่อช่วยดล ให้คนเมตตาให้ลูกรวยกับเขาบ้างนะให้สมคาว่าสิทธิหลวงพอรวยปากใจโซโซให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้พา ผูปั่นวอนพ่อให้ช่วยบาป ท, ที่ใครทํำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสุ่ยฐาน้ะที่ยังหลงมป่วยพ่อโดยปดโดยปรดช่วยที่ทาสัมพุทธชิตาจะสัจจา สิตสภะโสปนาวิภาสัปตโตนรุตม์มหาลาภมสภะสิทธิขวันตุเมสาธุสาธุสาทุ ต่อ้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เรียนชนะจนขึ้นขอสวมเหรีพันล้านที่ขออมือขวาปัดเป่าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกรวยกับเขาบางนะให้สมคำว่าสิทธิหลวงพ่อ ฝากใจโซโซให้วัดปะโกแผ่บุญบันดาสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านทุกวันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นรความโศนทานที่ยังหลมป่วยพ่อรวยโปรดช่วย ครับมาพูดมาคุยกันต่อสถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องของ ฟ้าฝนนะครับนะกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่ารายงานบอกว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก็จะปกคลุมประเทศเวียดนามตอนล่างแล้วก็จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมกัมพูชาในวันที่27ตุลาคมแล้วก็จะอ่อนแรงลงแล้วก็จะเข้ามาประเทศไทย28ตุลาก็จะทำให้ภาคอีสานตอนล่าง ภาคะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นนะก็จะส่วนมากก็จะอยู่แถวฝนตกแถวแถวบุรีรามสุรินศรีสะเกตอำนาจเจริญอุบลปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดซึ่งก็ก็บอกว่าจะมีฝนตกนะในบางส่วนแล้วก็จะมะีความกดอากาศสูงมีมวลอากาศเย็นและลอกใหม่แพ่เข้ามาจากจีนตอนใต้ก็จะเข้ามาแถวภาคอีสาน นะในวันที่28ก็จะปะทะกันล้วครับนะระหว่างฝนกับในส่วนของอในส่วนของลมหนาวนะก็จะเริ่มเข้ามาส่วนทางแถวภาคเหนือนี่ก็หนาวแล้วนะครับนะมีการทายกันว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้คงจะต้องดูนะครต้องระมัดระวังคนที่อยู่ใกล้แม่น้ำนะครก็ต้องระมัดระวังแล้วนะครับอาจจะมีการทําให้เกิดน้ําท่วมได้ในวงกว้างนะเราก็จะเห็นว่ า, ามี ปัญหาน้ำท่วมกันในหลายๆพื้นที่ก็เห็นใจชาวไร่ชาวนาบางคนต้องไปกู้ยจากทกสมานะครับแต่แล้วก็มาเจอปัญหาน้ำท่วมก็หมดเงินทุนไปรัฐรัฐก็คงจะต้องเข้าไปช่วยเหลือโดยด่วนแล้วครับนะเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็ชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบกันหนักนะโดยเฉพาะแถวแถวภาคภาคอีสานนี่ก็แถวโคราชแถวชัยภูมินี่หนักขนแกน่นนะ สารคามร้อเ็ดเนี่ยพวกนี้หนะักอยู่ริมแม่น้ํานะครับทางภาคเหนือนี่ก็หลายจังหวัดนะกระทบหนักเหมือนกันนะโดยเฉพาะนาข้าวนะภาคกลางนี่ก็แถวแถวที่หนักเลยก็ลุ่มน้ําเจ้าพยาทั้งหมดนะลงนาเนี่หนักเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ในสถานการณ์รวมน้ําท่วมนี่ยังไปถึงภาคเหนือนตอนบนอย่างพะเยานี่ก็บอกว่ายี่สิบเจ็ดนมีปริมาณน้ําในกวนพะเยาสูงก็ท่วมไล่นาก็แสดงว่าฝนตก กันทั่วทุกส่วนชัยภูมินี่แถวคอนสวรรค์นะครับกรเกษตรสมบูรณ์แถวนั้นแหละครับน ะ, ะก็ยังหนักอยู่ชัยภูมินี่ท่วมรอบสองชาวบ้านนี่ก็หนักเลยนะครับชัยภูมินี่ท่วมรอบสองแล้วนะครับนะแล้วก็ในส่วนของโคราชนี่แถวแถวริมลําตะคองนะครับนะหลังจากที่ท่วมในเมืองแล้วก็จะไหลามาผ่านอํเาเภอพิมายลงมานี่นะครับนะไหลลงมานะครับนะ จากโคราชมาบุรีรัมย์มาสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลตรงนี้เนี่ยก็จะท่วมไล่กันมานะโดยเฉพาะเลือกสวนไล่นามาอยู่ในพื้นที่ต่ำนะครับนั่นก็จะทําให้เสียหายหนาข้าวนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องมีมาตรการที่จะต้องอมีการชดเชยอะไรต่างๆกันหรือไม่นะครับนะเพราะว่าโ ด, โดยเฉพาะในลุ่มน้ำนี่ค่อนข้างที่จะหนักนะชาวบ้านที่อยู่ แถวลุ่มน้ำนะบางครั้งนี่ก็ขนข้าวของขึ้นไม่ทันนะครับนะขนข้าวของไม่ทันก็ทําให้น้ําท่วมนะฮนะน้ำท่วมถึงบ้านเรือนด้วยแล้วนะครับเลือกสวนไรนาก็จะไหลลงไปนะครับในะน้ามูลน้ําชีนี่นะครับจะไหลลงไปรวมกันอยู่ที่อุบลราชธานีซึ่งอุบลก็จะเป็นพื้นที่รับน้ําใหญ่แล้วครับนะก็จะมีปัญหาน้ําท่วมอยู่ริมฝั่งแม่น้ํามนูนแล้วครับนะคงจะต้องดูนะครับนะปัญหานี้ ว่าจะแก้กันอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นว่ า, าน้ําในเขื่อนต่างๆนี่เต็มร้อยเปอร์ซนตต้องมีการระบายลงมาซาเลอรรีบระบายลงมาก็จะมีปัญหาน้ําท่วมนะเราจะเห็นว่าในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางก็จะเหมือนกันตอนนี้ปริมาณเขื่อนขนาดใหญ่ในน้ําเต็มระดับน้เต็มร้อยเ ก็จะต้องมีการระบายถ้ามองคาดการว่าจะมี d e p r e s s i o เข้ามาก็ต้องมีการระบายแล้ครับถ้าไม่ระบายนี่ก็จะทําทให้ล้นตลิ่งเกิดปัญหากันอีกนี่คงจะต้องมีแผนเกี่ยวกับเรื่องของ <c oughs> การบริหาร <c oughs> จัดการน้ํากันให้เต็มที่นะเพราะที่ผ่านมาเนี่เรายังมีระบบการจัดการน้ํายังไม่เต็มที่นะครับสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึง ช่วงไทยกอเลยกันแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดุณธ น, นันต้องขอลาท่านไปก่อนและพบกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ กับคนคิดหอดในใจถึงแม้เมืองไทยจะถูกปิดล้อมด้วยความสิ้นหวังย้อนมาเท่นี้โควิดโจมตีทุกที่คือพัลองล็อกดาวล็อกเราอีกครั้งวัคซีนความหวังยังบน่าชี ย่านติดย่านติดแม่ปิดแต่ใจยังลอนอยากกลับไปนอนกอดน้องแทนองยังบ่มีสิทธิ์ยากงานก็นยากนี่ก็ยังหลายคิดได้แต่คิด รอมอเ ข, าข้าคิวต่อจนล้นโรงบ้า ICU บาลไอซียูบอพรับงานโอ้ยรัฐบาลจังได้ดีนอ้องศกครามโควิด ต, ต้องพิชิตด้วยยากับหมอเอาใจซอยเดินจะได้ทอ้อร่วมมือคุณหมอ สู่ภัยเต็มทีต่ต้องรอต้องรอไอ้กอดความคิดห อ, อกกันตายต้องไว้ต้องไว้เพื่อสิกลับไปศูนย์ขิงคนดีชวนเพื่อนคนยากต้มน้ำกระชายประคองชีวี จนคนนี้ให้เรากลับไป จนล้นโรงพยาบาลใครสิอยู่บอพ่อรับงานโอ้ยรัฐบาลจังไดดีน้อส่งครามโควิดต้องคิชิดด้วยยากับหมอเอาใจซอยเดินจะได้ทอร่วมมือคุณหมองสู่ภัยเต็มที่ต้องร้อง ต้องรอไอ้กอดความคิดหอดกันตายต้องไว้ต้องไว้เพื่อสิกลับไปศูนย์คิงคนดีชวนเพื่อนคนยากต้มน้ำกระชายประคองชีวีเสพกายจนจนคนนี้ให้รอดกลับไป เธอเ